ทายีสูตรว่าด้วยท่านพระอุทายีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตรามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรามอย่างนี้ท่านพระอุทายีได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอุทายีมาตร ถ, ถามว่าอุทายี อนุสติฐานมีเท่าไรหนอเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามแล้วอย่างนี้แม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเ ร, ร, ร, รียก ท, ท่านพระอุทายีมาตรัสถามว่าอุทายีอนุสติฐานมีเท่าไรหนอแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็นิ่งอยู่ครั้งนั้น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 ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติฐานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนอมาตรัสว่าอานนอนเรารู้แล้วอุทายีนี้เป็นโมคะบุรุษไม่ประกอบอธิจิตอยู่แล้วตรถามท่านพระอานนอ์ต่อไปว่าอานนอนอนุสติฐานมีเท่าไหร่ ท่พระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติฐานมีหประการอนุสติฐานหประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการมและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสองภิกษุมนสิการอาโลกสัญญาตั้งสัญญาไว้ว่าเป็นกลางวันอยู่มนสิการอาโลกสัญญาว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้น ภิกษุนั้นมีจิตปลอดปโปรง่งไม่ถูกนิวรณ์ัวพันย่อมเจริญจิตที่มีความสว่างด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ 3. ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆว่า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 ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะ 4. ภิกษุเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันหรือสามวันพองขึ้นมีสีเขียวคล้ำมีหนองไหลออกอย่างไรก็น้อมกายนี้แหละเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าถูกฝูงกานกเหยี่ยวนกแรง้งสุนักสุนักจิ้งจอกหรือสัตว์มีชีวิตชนิดต่างๆกํ า, ากลังกัดกินอย่างไรก็น้อมกายนี้แหละเข้าไปเปรียบอย่างนั้นว่าแม้กายนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ภิกษุนั้นเห็นสรีระที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีโครงกระดกูก มีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดไว้และถึงมีแต่โครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดไว้มีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดยังมีเอ็นรึงรัดไว้มีแต่ท่อนกระดูกปราศจากเครื่องผูกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่ง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 เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนจึงบรรลุเจตุธชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธาตุหลายชนิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติฐานห้าประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละดีละอานน์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำอนุสติฐานข้อที่หนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสตินอนอยู่มีสติประกอบการงานอยู่อานนท์นี้เป็นอนุสติฐานที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ภูธายีสูที่เก้าจบ 10. อนุตริยสูตรว่าด้วยอนุตริยภิกษุทั้งหลายอนุตริยภาวะอันยอดเยี่ยม6ประการนี้ อนุตริยหกประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศนานุตริยการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวัณานุตริยการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยการได้อันยอดเยี่ยม 4. สิกานุตริยการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. ปาริจริยานุตริยการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตริยการระลึกอันยอดเยี่ยมทัศนานุตริยาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อเห็นช้างแก้วบ้างไปเพื่อเห็นมา้ากแก้วบ้างไปเพื่อเห็นแก้วมณีบ้างไปเพื่อเห็นของสูงของต่ำบ้างหรือไปเพื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี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 บรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการเห็นนี้ของบุคคลนั้นเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวลวงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญาตธรรมเพื่อทาให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะเป็นอย่างนี้สวนานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างไปเพื่อฟังเสียงพินบ้างไปเพื่อฟังเสียงเพลงขับบ้าง ไปเพื่อฟังเสียงสูงเสียงต่ำบ้างหรือไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการฟังนี้ยังเป็นการฟังที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการฟังนี้ของบุคคลนั้นเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวลวงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวรณานุตรียะ ทัสนานุตริยาสวนณานุตริยาเป็นอย่างนี้ลาพานุตริยาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้บุตรบ้างได้พัญญาบ้างได้ทรัพย์บ้างได้ของสูงของต่ำบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณนะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการได้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี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 บรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายการได้นี้ของบุคคล น, นั้นเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุสทธิ์ของศาตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะและบริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมานต์เพื่อบรรลุยัตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน การที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าลาพานุตริยาทัศนานุตริยาสวนณานุตริยาลาภานุตริยาเป็นอย่างนี้ศิกานุตริยาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับม้าบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับรถบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับธนูบ้างศึกษาศิลปะเกี่ยวกับดาบบ้างศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือศึกษาศิลปะจากสมณะหรือพราหม์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการศึกษานั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี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 บรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งศึกษาอธิศีนบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้การศึกษานี้ของบุคคลนั้นเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายิธรรม เพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งศึกษาอธิศีนบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้นี้เรียกว่าศึกานุตริยาทัศนานุตริยาสวานุตริยาลาภานุตริยะ สิกขานุตริยะเป็นอย่างนี้ปาริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้บำรุงกษัตริย์บ้างบำรุงพราหมบ้างบำรงข้าอัปบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างหรือบำรุงสมณนะหรือพราหมผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการบำรุงนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี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 บรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ของบุคคลนั้นเป็นการบำรุงที่ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนั์เพื่อบรรลุยญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น บรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เรียกว่าปาริจริยานุตริยะทัศนานุตริยะสวรณานุตริยะลาภานุตริยะศีขานุตริยะปริจริยานุตริยะเป็นอย่างนี้อนุสตานุตริยะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ระลึกถึงการได้บุตรบ้างระลึกถึงการได้พัญญาบ้างระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้างระลึกถึงการได้ของสูงของต่ำบ้างหรือระลึกถึงสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้างภิกษุทั้งหลายการระลึกนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการระลึกนี้ยังเป็นการระลึกที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะ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 ภิกษุทั้งหลายการระลึกถึงนี้ของบุคคลนั้นเป็นการระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัตเพื่อบยย ร, รุญญาธมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานการที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งนี้เรียกว่า อนุสตานุตริยาภิกษุทั้งหลายอนุตริยาหกประการนี้แหลภิกษุเราได้ได้ทัศนานุตริยาสวรานุตริยาลาภานุตริยายินดีในศิานุตริยาตั้งมั่นปริจเริยานุตริยาเจริญอนุสตานุตริยาอันประกอบด้วยวิเวกอันเกษมให้ถึงอมตะธรรมเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท มีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ที่เป็นที่ดับแผงทุกข์ตามการอันโคนอนุตริยสูตรที่10จบอนุตริยวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สามกะสูตร 2. อปปริหานิยสูตร 3. พยสูตรส หีมวันตสูตรห้าอนุสติธานสูตรหกมหากัจจานสูตรเจ็ดปฐมมสมยสูตรแปดทุติยสมยสูตรเก้าอุทายีสูตรสิบอนุตริยสูตร สเทวตารักหมวดว่าด้วยเทวดา 1. เสขสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะภิกษุทั้งหลายทรรหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ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 ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซขะเซขะสูตรที่หนึ่งจบสองปฐมมอปริหานสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมสูตรที่หนึ่ง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 เมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำหกประการ น, นี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พิกษุทธิำหกประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นเดียกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในาศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงมีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในปฏิสันานเป็นผู้ไม่ควรเสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพานทีเดียวปฐมมะอปริหานสูตรที่สองจบ 3. ทุติยะอปริหานสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมสูตรที่สอง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 ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ์ถึงพร้อมด้วยหิริและอดตะปะมีความยำเกรงมีความเคารพเป็นผู้ไม่ควรเสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพานทีเดียวทุติยะอปริหานสูตรที่สจบ 4. มหาโมคลานสูตรว่าด้วยพระมหาโมคลานะสมัยหนึ่ง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 ภิกษุชื่อว่าติสสะมรณภาพไม่นานได้บังเกิดในพรหมโลกชั้นหนึ่งณพรหมโลกชั้นนั้นเทวดาทั้งหลายก็รู้จักพรหมนั้นว่าติสสะพรหมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้หายไปจากพระเชตวันมาปรากฏในพรหมโลกนั้นเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้า ติสพรมได้เห็นท่านพระมหาโมคลานะมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะว่าท่านพระมโมคลานะผู้ไม่มีทุกข์ขอท่านจงมาเถิดท่านมาดีแล้วท่านจัดลําดับในการมาในที่นี้นานจริงหนอขอนิมนต์นั่งเถิดนี้อาสนะที่ปูลาดไว้ท่านพระมหาโมคคลานะนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้ว ฝ่ายติสพรมไหว้ท่านพระมหาโมคลานะแล้วจึงนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคลานะได้ถามติสพรมดังนี้ว่าติสพรมเทวดาชั้นไหนหนอมียาอย่างนี้ว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าติสพรมตอบว่าท่านพระโ ม, มคลานะผู้ไม่มีทุกข์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 ติสะพรมตอบว่าท่านพระโมคลานะผู้ไม่มีทุกข์ไม่ใช่เทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งหมดที่มีญาณอย่างนี้ว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าท่านพระมหาโมคลาณนะผู้ไม่มีทุกข์เทวดาชั้นจาตุม a ารา a เหล่าใดไม่มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ไม่มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ไม่มีศีลที่พระอริยะใครเทวดาชั้นจาตุมหาราชเหล่านั้นก็ไม่มีญาณอย่างนี้ว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าท่านพระมหาโมคลาณนะผู้ไม่มีทุกข์ส่วนเทวดาชั้นจาตุมหาราชเหล่าใดมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสอันไม่หวนหวาในพระธรรมมีความเลื่อมใสอันไม่หวนหวาในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะใคร่เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหล่านั้นจึงมียาญอย่างนี้ว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแนนอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระโมคคัลลานถามว่าติสพรมเทวดาชั้นจาตุมหาราเท่านั้นหรือ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 มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระโมคคานะผู้ไม่มีทุกข์ส่วนเทวดาเช่นปรนิมมิตวัสวัตดีเหล่าใดมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะใคร่เทวดาชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีเหล่านั้นจึงมียานอย่างนี้ว่า เราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าลำดับนั้นท่านพระโมคลานะชื่นชมอนุโมทนาภาศิตของติสพรมแล้วหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏณพระเชตวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้ามหาโมคลานสูตรที่สี่ วิชาพากยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาภิกษุทั้งหลายทำห6ประการนี้เป็นส่วนแห่งวิชาทำหประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนิเจทุกขสัญญา 3. ทุกเคอนัตตะสัญญา 4. ปหาณะสัญญา 5. วิราคะสัญญา นิโรธสัญญาภิกษุทั้งหลายทำหกประการนี้ย่อมเป็นส่วนแห่งวิชาวิชาภาิยะสูตรที่ห้าจบ